กายกับใจที่เรารู้จักว่าเรามันเป็นเราเป็นของเราเป็นลักษณะที่เป็นสมมุติทั้งหมดแต่ในภาษากรรมฐานท่านหมายถึงความรู้สึกนะไม่ได้หมายถึงตัวสมมติเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนนั้นคนนี้แต่ท่านหมายถึงความรู้สึกตัวเช่นความรู้สึกเย็นความรู้สึกร้อนความรู้สึกเจ็บความรู้สึกปวด ความรู้สึกหนักความรู้สึกเบาท่านหมายถึงตัวนี้นะถ้าบอกว่ารูปนามหมายถึงความรู้สึกที่เป็นทุกขเวทนาเป็นสุขเวทนาและความรู้สึกที่ยังไม่ชัดว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ถ้าพูดถึงเรื่องรูปนามท่านหมายถึงความรู้สึกแต่ถ้าหากว่าเป็นภาษาชาวบ้านถ้าพูดถึงเรื่องรูปนาม หมายถึงตัวกูตัวมึงตัวเราตัวเขาตัวหญิงผู้หญิงผู้ชายชื่อนั้นชื่อนี้นามนั้นนามนี้นามหมายถึงชื่อแต่พอมาเป็นภาษาก ร, รมฐานนามหมายถึงความรู้สึกตัวเนี่ยที่มันต่างกันดังนั้นในวิธีการนี้ท่านก็ใช้อุปมาให้เข้าใจเช่นอุปมาว่าความรู้สึกตัวเนี่ยเหมือนแมวความ ไม่รู้สึกตัวที่มันทําให้คิดเนี่ยมันเหมือนกัะหนูนะเพราะฉะนั้นการที่เราจะาไปรู้จักความคิดไปจัดการความคิดเพราะความคิดเป็นที่มาของความทุกข์เป็นที่มาของความอยากความโลภความโกรธความหลงเราจะจัดการกับความคิดได้อย่างไรเดี๋ยวท่านก็มาบอกวิธีเราให้สร้างตัวรู้สึกตัวนะตัวรู้สึกตัว ทุกคนมีอยู่แต่มันเป็นตัวรู้สึกตัวที่เป็นสรรชาตยานท่านเปรียบเส ม, มือนเนืองแมวตัวเล็กๆ เ, เวลาจะไปจับหนูตัวใหญ่ๆเนี่ยมันจับไม่อยูอ่หนูก็จะลากแมวไปทีนี้เราจะทำยังไงให้แมวโตกว่าหนูเราก็ต้องมาขุนมาเลี้ยงแมวให้มันโตกว่าหนูนั่นก็คือท่านเปรียบเส ม, มือนว่า ความคิดความรู้เหมือนแมวความคิดเหมือนหนูความรู้เหมือนแมวอุปม า, มาเมื่อเปอย่างนั้นเราก็มาเสริมตัวรู้ให้มันโตขึ้นเหมือนแมวเวลาความรู้สึกตัวมันโตขึ้นมันก็จะไปจับหนูโดยธรรมชาติอของมันเองหรือท่านจะเปรียบเส ม, มือนถึงว่าตัวรู้เหมือนแสงสว่าง ตัวไม่รู้คือตัวคิดมันเหมือนกับเงามืดเนี่ยก็จะใช้อุปมาเข้ามาเพราะถ้าใช้ภาษาที่เป็นปริยัตบาลีบ้างภาษาปรมัดบ้างเนี่ยเราเข้าใจไม่ได้นะนั้นวิธีการปฏิบัติท่านก็ทําความเข้าใจให้เราเกิดความอยากจะทนะํเพราะทุกคนมันมีความทุกข์เป็นพื้นฐาน มีความคิดเป็นพื้นฐานอยู่แล้วคิดคิดจนกระทั่งเ่าปวดหัวคิดจนตัวร้อนคิดจนใจร้อนเพราะความคิดมันเกิดจากตัวสัญชาตญาณแล้วมันก็จะเป็นความคิดที่ไปรับใช้กิเลสคือรับใช้ความอยากรับใช้ความโลภความโกรธความหลงดังนั้นเราก็ไม่สร้างตัวรู้สึกตัว ที่มันเล็กๆให้มันใหญ่ขึ้นเหมือนกับเราเลี้ยงแมวตัวเล็กๆให้มันโตขึ้นคือมาเปลี่ยนตัวรู้สัญชตาตญาณให้เป็นตัวสติสัมปชัญญะที่เป็นวิปัสสนาคือทำให้ตัวรู้สึกตัวเนี่ยให้มันเป็นทำหน้าที่รู้เห็นเมื่อก่อนตัวรู้สึกตัวที่เป็นสัญชตาตญาณ มันไม่รู้ไม่เห็นความคิดมันไปกับความคิดมันไปกับอารมณ์เวลาเราอชอบมันก็คิดไปในเรื่องที่เราอชอบเวลาไม่ชอบเราก็คิดไปในเรื่องที่ไม่ชอบนะเวลาเราเพลิดเพลินมนเลยสนุกสนานไปกับความเพลิดเพลินมันก็เข้าไปเป็นเราหมดแต่พอเรามาฟังหลวงพ่อเทียนฟังคำสอนหลวงพอเทียน ท่านให้แยกตัวรู้สึกตัวออกมาจากความคิดนะเพราะความคิดเป็นต้นเหตุให้เกิดความทุกข์เราจะจัดการกับทุกข์เราก็จะต้องมาจัดการกับความคิดให้ได้จะเอาอะไรไปจัดการก็คือความรู้สึกตัวแต่ความรู้สึกตัวที่มันเป็นฉันแคตยานคือเป็นความรู้สึกตัวแบบทั่วๆไปเนี่ยมันไม่มีกำลังที่จะเข้าไปรู้ความคิดเห็นความคิดได้ แล้วก็มานั่งยกมือสร้างจังหวะเดินจงกมแทนความรู้สึกตัวที่เกิดจากลมหายใจบ้างความรู้สึกตัวเกิดจากการบริกรรมต่างๆพุดโทสมราหังยุบหนอพองหนอนับตบคู่ประคำท่องคาถาอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นความรู้สึกตัวที่ไม่มีกำลัง เราจะต้องใช้เวลายาวนานใช้สถานที่สงบต้องไปอยู่ที่ในที่สงบสงดัดแต่ว่าชีวิตของเรามันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่สามารถที่จะไปอยู่ที่สงบสงัดได้นานๆไม่สามารถที่จะมาบทเป็นพระเป็นเจ้าได้นานๆมันต้องทำมาหากินต้องเผเชิญอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจวั น, น ถ้าหากว่าเราไม่สามารถนําเอาความรู้สึกตัวเนี่ยเข้าไปใช้ในชีวิตประจำวันได้กรรมฐานก็ไม่มีความหมายสําหรับเรามันจะมีความหมายสําหรับคนอยู่วัดคนบวชแต่เราต้องการที่อากรรมฐานไปใช้จะทำอย่างไรเมื่อก่อนเราไปหาครูบาอาจารย์ที่ท่านมีคุณธรรมมีภูมิปัธรรมภูมิปัญญาสอน ก็รู้สึกว่ามันยากนะเข้าใจยากมันเป็นของสูงเป็นของลึกเราก็ได้แต่ศรัทธาได้แต่ทำบุญถ้าจะน้อมนำมาปฏิบัติกับบ้านกับเรือนก็ยากเมื่อหลวงพ่อเทียนเกิดขึ้นหลวงพ่อเทียนก็ทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายสามารถนำไปปฏิบัติได้ในบ้านในเรือนในที่ทำงานได้เราก็ต้องมาฝึกเอาก็เกิดมีการอบรมในที่ต่าง โดยเห็นให้ทำให้เห็นว่าความรู้สึกตัวเนี่ยเกิดจากการเคลื่อนไหวทั้งหมดของทุกส่วนไม่ใช่ส่วนใดส่วนหนึ่งสามารถที่จะเคลื่อนไหวในทุกส่วนทั้งด้หัวจุดจรดเท้าซึ่งได้กล่าวไปวันก่อนๆโดยมี ความตั้งใจมีความศรัทธาซะก่อนว่าเราอยากจะเข้าใจอยากจะศึกษาอยากจะรู้อยากจะเห็นลักษณะนี้เป็นศรัทธาแล้วก็ลงมือทําลงมือทําอย่างถูกต้องโดยอาศัยการได้ยินได้ฟังซึ่งได้กล่าวมาวันก่อนว่าศรัทธาที่นําไปสู่การกระทําเนี่ยมันจะต้องอาศัยปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังอาศัยปัญญาจากการตรวจสอบ พินิจพิจารณาอาศัยปัญญาที่เกิดจากการกระทำหรือภาวนาลงไปเมื่อเรามีความเข้าใจมีสติปัญญาเราก็ลงมือทำอย่างถูกต้องนะเมื่อลงมือทำแล้วตัวรู้สึกตัวนี้ก็จะปรากฏชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นจนกระทั่งว่ามันมีกำลัง พอความรู้สึกตัวนี้มันมีกำลังมันก็เริ่มเข้าไปเห็นไปเห็นความคิดกับความรู้สึกเป็นอันดับแรกนะตั้งใจฟังตรงนี้นิดหนึ่งว่าเมื่อความรู้สึกตัวมีกำลังเราจะเห็นความคิดกับความรู้สึกตัวแยกจากกันความรู้สึกตัวเบื้องต้นเราอาศัยความรู้สึกกายเป็นหลักท่านก็ให้มาดูกาย ความรู้สึกตัวที่เป็นจุดติดอยู่กับกายหรือขันห้าเนี่ยอาศัยตัวทำความรู้สึกตัวที่ตอกยำ้ำซ้ำซ้ำลงไปหลายๆครั้งโดยอาศัยการความหมายรู้โดยสัญญาให้จำได้ว่าความรู้สึกตัวอย่างเนี้ยซึ่งบมง่คีแล้วรู้แล้วก็ลืมไปรู้ก็ลืมไปรู้แล้วก็ลืมไปแต่พอเรามา ปฏิบัติเนี่ยท่านให้รู้สึกตัวแล้วก็จำไว้รู้สึกตัวแล้วก็จาไว้การที่เราเข้าไปจำบ่อยๆจนกระทั่งมันชำนิชนานาญท่านเรียกว่าทิละสัญญาความจำได้มารู้ที่มันเกิดบ่อยๆการยกมือให้รู้บ่อยๆการเดินจงกรมให้รู้บ่อยๆการเข้าไปรู้ จำได้ไหมรู้ถึงอาการเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงความสบายไม่สบายที่เรารู้ได้บ่อยๆมันเกิดมาเป็นตัวสติที่เดวะทีและสัญญาคือตัวสติรู้ไปแล้วมันความรู้สึกตัวนี้เกิดรู้ขยายกว้างขวาง ค, ครอบคลุมขึ้นตั้งแต่หัวจุดเท้าสตินั้นก็เปลี่ยนมาเป็นสัมปชัญญะความรู้สึกตัวนั้นก็เปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเรียกว่าสติสัมปชัญญะ เมื่อความรู้สึกตัวมาเป็นความรู้สึกใจที่เป็นสติสมัมปชัญญะมันก็เริ่มเห็นอาการความคิดเป็นอันดับแรกเรียกว่าเห็นรูปนามเห็นนามรูปนะเห็นความคิดเห็นความรู้สึกมันแยกจากกันก่อนว่าเออเมื่อก่อนนี้เราเห็นว่าความคิดมันมันเป็นเรามันก็ไหลเราก็ไหลไปกับความคิด แต่พอมาเข้าใจหลักการอันนี้เนี่ยเราสามารถเห็นความคิดโดยที่เราไม่ไปตามมันคิดก็เป็นเรื่องของมันเราก็สามารถเห็นมันได้เพราะเราเอาใจมาอยู่กับความรู้สึกตัวไม่ได้เอาใจไหลไปกับความคิดนี่เบื้องต้นให้รู้อย่างนี้ก่อนสำหรับผู้ใหม่ ต่อมาสำหรับผู้ที่พัฒนาแยกความคิดแยกรูปแยกนามเป็นแล้วแยกความคิดออกจากความรู้สึกตัวแยกรูปออกจากนามคือเห็นเป็นส่วนของใครของมันความคิดพาให้เราหาใจเราไปนู่นไปนี่พอเรารู้สึกตัวเราความคิดก็ดึงใจไปไม่ได้เราก็เลยเห็นอาการของความคิดความคิดก็ดับนะ ถ้าเราเห็นชัดๆความคิดก็ดับไปถ้าเรายังเห็นไม่ชัดความคิดก็ยังมีอยู่แต่ก็รู้อยู่ว่ากําลังคิดอะไรแต่มันยังไม่ดับเพราะว่ากําลังข้องความรู้สึกตัวยังไม่พอนี่เรียกว่ารู้จักรูปนามต่อมาเรามาเห็นนามรูปเห็นความคิดมันเกิดแล้วมันก็ดับไปอ่ามันเกิดมาเรารู้แล้วมันก็ดับ มันเกิดมาแล้วก็รู้แล้วก็ดับไปฮะแล้วไม่เข้าไปในความคิดออกมาจากความคิดการที่เราไม่เข้าไปในความคิดออกมาจากความคิดได้นี่เรียกว่ารู้จักนามรูปรู้จักรูปทำนามทำทําหน้าที่ของมันรูปก็ทําหน้าที่ตามใจรักนามก็ที่ทำหน้าทำหน้าที่ตามใจสีขาทําหน้าที่คนละอย่างไม่เรียกว่ารูปทำนามทำนี่ภาษาของพ่อเทียน ต่อมาเมื่อเรารู้รูปทำนามธรรมรู้ชัดเจนแล้วว่ารูปมันทำงานตามอะไรรูปทำงานตามหน้าที่ของใตรักคือมันจะต้องเปลี่ยนแปลงแปรปวนแตกดับตลอดเวลาเราจึงเกิดการขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวเพราะอะไรเพราะรูปทำหน้าที่ตามใตรักมันจะต้องแปรปวนเปลี่ยนแปลงทำให้เราจะต้องบำบัดความทุกข์ ออกกะกายออกจากรูปนี้เสมอเนี่ยเราก็ทำหน้าที่รูปนี้ก็ทำหน้าที่ไปตามกฎของใจรักทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักกฎของใจรักความทุกข์ความแปลปวนเปลี่ยนแปลงมันก็ไหลเข้าไปสู่นามสู่ใจมันทำให้เกิดความพอใจไม่พอใจความชอบความไม่ชอบ ความไม่รู้ขึ้นมานี่แต่พอเรามาเจริญสติเจริญสติจนกลายเป็นสมัมมัชนยะทำให้เกิดปัญญาเห็นว่าความรู้สึกกายนั้นสามารถแก้ไขได้บำบัดได้แล้วเราเพียรพยายามแก้ไขบำบัดความรู้สึกทางกายอยู่เสมอเสมอ มันก็สามารถที่สกัดกั้นอนิจจังทุกขังนัตตาไม่ให้เข้าไปในจิตเพราะถ้าหากอนิจจังเข้าไปในจิตมันจะเกิดเป็นความชอบความพอใจทุกขงังจากทางกายมาแล้วแค่ไปสู่จิตก็ให้เกิดความไม่ชอบไม่สบายใจอะนัตตา ถ้าหากว่าเราไม่รู้เท่าที่เกิดทางกายเราไม่รู้เท่าทันมันก่อให้เกิดความรู้สึกเฉยเฉยความรู้สึกไม่ไม่รู้นะความรู้สึกที่ไม่รู้คือความรู้สึกรู้เฉยเฉยรู้แบบไม่รู้นะอันนี้มันจะก่อให้เกิดความรู้สึกทางใจในสามตัวนีนะ้เรียกว่านามมันเกิดการทำงานเป็นนามรูปแล้ว ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นนามล้วนๆแต่ถ้าเราเจริญความรู้สึกตัวได้เข้มแข็งแล้วอานิจังเรารู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของกายปรับร่างกายนี้ให้ปกติไม่ให้มันเป็นทุกข์อานิจังก็เปลี่ยนเป็นศีลแปลว่าปกติทำให้ร่างกายนี้ปกติไม่สุขเกินไปไม่ทุกข์เกินไป นะถ้าเราตามรู้ความไม่สบายกายชัดๆเบอร์ที่ความไม่สบายกายเนี่ยไม่เกินไม่ล่วงเกินไม่ล่วงล้ำไปสู่ใจได้จํากัดวงความไม่สบายอยู่ที่ ท, ที่ที่ใจนะดังนั้นเมื่อเราสามารถควบคุมความรู้สึก อยู่ที่กายได้ไม่ให้ร่วงรู้ถึงไม่ให้ล่วงล้ำไปที่ใจก็เรียกว่าเราแยกออกละเป็นใจสิขานะอันนี้จังเปลี่ยนเป็นศีลทุกขังเปลี่ยนเป็นสมาธิอนัตตาเปลี่ยนเป็นปัญญาี่เปลี่ยนลักษณะอย่างนี้เพราะเราเข้าเอาสติเข้าไปเป็นตัวรู้ตัวสติสัมยะจึงเข้าไปเป็นตัวเปลี่ยนนะเข้าไปเป็นตัวเปลี่ยน นี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วทำหน้าที่อย่างไรต่อไปอรู้ลักษณะนี้แล้วทำนี้ที่ต่อไปก็คือเราก็จะมารู้ว่าตัวความคิดที่มันเกิดเนี่ยเราเรียกชื่อมันเส่อใหมว่าสมมติสมมติมีที่มีมชื่อว่าเป็นความคิดเพราะอะไรเพราะมันคิดหลายเรื่องหลายลาวหลายสมมุติหลายอย่างหรือเกิน สมมติเรื่องนั้นขึ้นมาสมมติเรื่องนี้ขึ้นมาเนะี่ยคิดเรื่องนั้นขึ้นมาคิดเรื่องนี้ขึ้นมาเรารวมทั้งหมดว่ามันเป็นเรื่องสมมุติมันไม่ใช่เราอ่แล้วก็ส่วนที่เป็นความรู้สึกในฝ่ายกุศลอ่เช่นเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นความรู้สึกที่เป็นกุศลทั้งหลายเนี่ยเราเรียกว่าปรมาติอ่ามันจะมีคำสองคานี้ขึ้นมา เพื่ออะไรเพื่อง่ายต่อการตามรู้เรารู้แค่สองตัวคือถ้ามันออกมาทางความคิดทางคิดต่างๆเราก็รู้อ๋ออันนี้เป็นสมมตินะไม่ใช่เรามันเป็นความคิดเป็นสมมติขึ้นมาแล้วเราก็เอาใจเราไว้ที่ตัวรู้สึกตัวล้วนๆหรืรอว่าปรมัิใจเล็งจะมาอยู่กับตัวรู้สึกฝึกให้มันมาอยู่กับความรู้สึก เมื่อจิตของเราได้มาอยู่ความรู้สึกทางกายเป็นหลักมาความรู้สึกทางปรมาตเป็นหลักมันก็ไม่ไหลไปกับความคิดเพราะมันแยกเป็นนะมันแยกเป็นความทุกข์ที่เราเคยทุกข์เคยไหลไปกับความทุกข์มันก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงความทุกข์ก็หายไปใจของเราก็นิ่งขึ้นเป็นสมาธิเพราะว่ามาอยู่กับ ตัวรู้สึกตัวล้วน้วนโดยที่ไม่ต้องไปรู้เรื่องฤทธิ์เรื่องชานเรื่องบริหารเรื่องพลังขังศักดิ์สิทธิ์ไม่ต้องไปรู้เรื่องนั้นเลยให้ลัตเข้ามารู้แต่ความรู้สึกตัวทำอะไรก็มุ่ง่ความรู้สึกตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะต้องเข้าใจเห็นทุกเห็นโทษของความคิดจริงๆเราจะถึงสามารถจะดึงจิตมาอยู่ความรู้สึกตัว ที่เรียกว่าประมาทัอันนี้ได้ถ้าเรายังไม่ได้รู้ถึงโทษถึงภัยของความคิดเราก็ยังพอใจในดันคิดคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มีความคิดมีความเห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ออกมาดังนั้นก็จึงอยากจะลำดับให้เห็นว่าตัวความรู้สึกในฝ่ายสุ ข, ขเวทนาคือความสบายกาย ซึ่งได้วิจัยกันไปตอนเช้าว่าเวลาเราปฏิบัติความรู้สึกสบายเนี่ยตาความรู้สึกสบายหูความรู้สึกสบายลิ้นความรู้สึกสบายกายความรู้สึกสบายใจไอความรู้สึกในฝ่ายที่มันสบายเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของร่างกายเพราะร่างกายมันมีส่วนที่ตึงหย่อนมีส่วนที่ผ่อนคลาย ในส่วนไหนที่มันตึงมันก็จะไม่สบายในส่วนไหนที่มันหย่อนมันก็ผ่อนคลายก็สบายสลับก็อยู่เยี่ยต่อเวลาตัวความรู้สึกสบายกายนี่เองถ้าเราไม่มีสติเข้าไปตามรู้ความรู้สึกสบายเราก็จะไปเสพว่าเราสบายเราจะไปเสพเราจะไปติดใจความรู้สึกติดใจในความรู้สึกสบายนี่เองเราเรียกว่า ตัวโสมนัสสะเวทนาคือความพึงพอใจความพึงพอใจในความรู้สึกสบายกายสบายตาสบายหูสบายลิ้นสบายกายสบายใจแต่เรามาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความชอบทางตาคือมันสวยดูแลสบายตาความชอบทางหูเรืยว่าฟังแล้วมันเพลาะมันฟังแล้วมันสบายหูมันเพราะเรียกว่าความสบายหู ความสบายกลิ่นความสบายจมูกคือได้กลิ่นที่มันหอมถูกใจความสบายลิ้นได้รสที่อร่อยถูกใจความสบายกายได้สัมผัสที่นุ่มนวลถูกใจความสบายเหล่านี้ที่เราไปเสพติดก่อให้เกิดความเพลินแต่เมื่อเราจเจริญสติเกิดปัญญาเราจะเห็นว่าความรู้สึกสบายนี้ถ้าเราไปเสพแล้วมันก็อให้เกิด ความพึงพอใจคือโสมนัสส <hi> เวทนาและความรู้สึกที่เป็นโสมนัสสเวทนาคือความรู้สึกสบายกายไปสู an, państwo, ่ความสบายใจความสบายกายแล้วก erm. ็สุขเวทนาเมื่อเราไม่มีสติกำหนดรู้มันจะไปสู่ความสบายใจเรียกว่าโสมนัสสเวทนาความรู้สึกสบายใจเรียกว่าโสมนัสสเวทนา เราไม่มีสติสัมปชัญะเข้าไปกำหนดรู้มันจะเปลี่ยนมาเป็นตัวเพลิญเรียกว่านันทินันทิตัวนันทิตัวนี้เราไม่มีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้มันก็เพลินไปสู่ความเป็นอภิชาเรือความติดใจและอภิชาตัวนี้เรายังไม่มีสติกำหนดรู้ความติดใจก็ขอให้เกิดความ อยากใครเรียกว่ากามาชันทะกามาชันทะกลายมาเป็นตัวที่หนึ่งของนิวรณ์ทั้งห้าตัวนะกลายมาเป็นตัวแรกของนิวรคือความอยากความใคร่ความอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในลดความอยากสารพัดยากเราก็ไปอยากจะให้มันได้อย่างใจเมื่อไม่ได้อย่างใจแล้วเราไปตามกาหนดรู้ไม่ได้ความกามาราคะ กามฉันทะเปลี่ยนมาเป็นกามราคะเราก็ไม่มีสติเสียากาหนดรู้กามราคะคือความอยากความใคร่ความอยากได้ตามสนองตามหูจมูกลิ้นกายใจอยากให้มันมีความสนุกสนานเพลิดเพลิ น, นอยากสแสวงหาใหมันได้อย่างใจเรียกว่ากามะเป็นกามตัณหากามราคะเป็นกามตัณหา ขยายไปเรื่อยๆต้นมันอยู่แค่สุขเวทนาความสบายกายเท่านั้นเพียงแต่ขาดสติสมะยะยะตัวความสบายกายมันก็แตกงอกอก อ, กอกรากยาวไปเรื่อยๆนี้เป็นสาเหตุที่เราเกิดความเสพเข้าไปในความสบายก า, ายาสบายใจที่นี้ถามว่าความสบายกายสบายใจเนี่ยเที่ยง<ม>หรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงมันก็เปลี่ยนแปลงความนั่งแล้วนั่งสบายสักพักหนึ่งก็ไม่สบายรูปที่เราดูสวยๆ ส, สบายตาสักพักมันก็เริ่มไม่สวยเสียงที่เราฟังแล้วมันเพ้อเพาะฟังไปนานๆมันก็เริ่มไม่เพราะกลิ่นรสสัมผัสทางกายที่เราสัมผัสไปนานๆมันก็เริ่มไม่มันก็เปลี่ยนแปลงเป็นทุกขงังทุก ขังคือความไม่สบายกายแลนั่งตอนแรกนั่งสบายกายเป็นสุขเพราะนั่งไป น, นานๆมันไม่สบายกายเป็นสุขทุกขเวทนาตัวทุกขเวทนาถ้าเราไม่วิสติเข้าไปกำหนดรู้ตัวทุกขเวทนานี้มันก็เปลี่ยนมาเป็นโสมนัสเวทนาคือความไม่สบายใจเวลาความไม่สบายกายเราไม่ปรับไม่เปลี่ยนไม่แก้ไม่ไขก็ให้เกิดความอึดอัดลำคาญความหมงุดหงิดความ อ่ากดดันความบีบคั้นความงุ่งงึมความเผลอเนี่ยมันจะออกไปอย่างนั้นเรียกว่าโทมนานสเวทนาอและโทมนานสเวทนาเราไม่มีสติตามรู้มันก่อให้เกิดเป็นตัวปฏิฆะปฏิฆะเราไม่ได้กําหนดรู้ก่อให้เกิดเป็นตัวอภยยาอภยยาปาา่าทักความความหงุดหงิดความขัดเคืองอ่า ปฏิฆาเป็นความหมุดหิดพยาปาธะว่าความอึดอัดขัดเคืองความขุนเคืองความขุนเคืองอารมณ์ขุนมัวเรียกว่าพยาปาธะมาเป็นตัวที่สองของนิวรณ์นี่มันพัฒนามาจากนี้อันนี้ตามให้ทันนะเพราะจะมาเปรียบเทียบให้หลักการให้เห็นในหลักปริยัติ ด, ด้วยและตัวขุนเคืองตัวขุนคล้องใจนี้พัฒนาตัวมาเป็นโทสัต น่มาเป็นโทสะเมื่อมาเป็นโทสะความเสียใจขุนใจไม่สบายใจเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่ตามรู้เราไม่ตามบำบัดแก้ไขเพราะยังไม่ได้สติมันก็เปลี่ยนมาเป็นตัวมานะอ่ามานะและตัวมานะอันนี้มาเป็นตัวอติมานะมาเป็นตัวอ่ามานานุใสมาเป็นตัวโทสานุใสอ่าไปตามระดับต้องเปลี่ยนไปเป็นตัวอ่าตัวอุปาทาน ตัวประธานเป็นตัวพระวาสวะขึ้นมาเห็นไมพ่อคาสติตามรู้ความไม่สบายอย่างเดียวมันลากยาวไปเรื่อยๆจนปิกิเลชั้นอยาชั้นกลางชั้นละเอียดเราก็ตัดมันไม่ได้ดังนั้นเรามาปฏิบัติเพื่อที่จะให้ตัวความรู้สึกตัวเนี่ยมันไวแล้วก็มันตาม รู้ได้เร็วขึ้นเรียกว่าตัดไฟแต่ต้นลมนะแทนที่มันจะแตกงอกออกรากลึกลงไปพอมันงอกวันเท่าไหร่ก็ตัดมันโผล่มนแล้วก็ตัดเรียกว่าจัดการกับความคิดเพราะรู้ว่าความคิดนี่แหละมันจะพัฒนาไปทั้งเป็นราคะโทสะโมหะพัฒนาไปเป็นมานะตัณหามานะทิฏฐิพัฒนาไปเป็นกามะปวทานาที่ถูกประทาน สีและประตุปาทานอัตวาทุปาทานไปเรื่อยๆมันจะพัฒนาขอมันไปดังนั้นในวิธีการหวเทียนท่านจึงมาเพ่งเล็งเอาตรงที่ออกมาเจริญสติให้ตัดต้นต่อของความคิดของกิเลสต่างๆที่รูปกับนามเลยทีเดียวมันจะยากเย็นขนาดไหนแล้วก็ทำมันอยู่นั้นน่ะนะเพราะว่ามีคนทาได้สาเร็จมาเยอะแล้วถ้าเรามีศรัทธา มีความเพียรอย่างมั่นคงมันจะต้องทำได้ไม่วันใดวันหนึ่งแม้ว่าจะไม่หมดกิเลสตัณหาโดยสิ้นเชิงแต่มันทำให้เราเบากายเบาใจในบางครั้งบางคราวเนี่ยก็ทำให้เรามีความหวังนะในระดับเราเราที่เป็นชาวบ้านธรรมดามีความหวังว่าจะทำได้โดยที่ไม่ต้องไปบวชอยู่ป่าอยู่เขาถือศีลกินเจ อ, อะไรก็ได้ แต่ขอให้มีความเพียรความรู้สึกตัวเนี่ยรู้เนื้อรู้ตัวในการขยับขเขย่งเคลื่อนไหวโดยที่ไม่ปล่อยให้ตัวของเราลื่นไหลไปกับความเคยชินเหมือนเมื่อก่อนอันนี้ลิงลิงที่ว่าวิธีการพ่อเทียนทำให้เลาเกิดความหวังว่าเราสามารถจะแก้ไขทุกได้อาศัยศรัทธาที่ทำบ่อยๆ ด้วยวิธีการอันนี้กับผมและอาตมาก็พยายามทำลักษณะแบบนี้ปัญหาและอุปสรรคก็สู้กันไปตัวรู้สึกตัวก็ทำกันไปไม่หยุดไม่ยัง้งไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรผันก็ปรากฏว่าทำได้สบายนะเพราะนั้นญาติโยมทั้งหลายที่มาทำนี้ก็ได้สัมผัสกันบ้างแล้วเวลาไปทา มันก็จะมีความรู้สึกสูงสองสาอย่างเลยความรู้สึกสบายไม่สบายเฉยเยมันก็สลับกันไปสลับกันมาสลับกันเกิดสลับกันดับอย่างเงี้ยแต่ว่ามันทําไมไม่ตัดไม่ได้เด็ดขาดชัดเจนทําไมยังตัดความลังเลสงสัยไม่ได้ทําไมยังจัดความขี้เกียจไม่ได้ทำไมันเกิดตัดความาคิดยังไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเรายังสร้างสมกําลังความรู้สึกตัวยังไม่พอ แต่เรามีพื้นฐานเป็นความอยากอยากจะให้มันสาเร็จอยากจะให้มันได้อยากจะให้มันหมดทุกข์อ่ะมันเป็นความอยากแต่เวลาเราทำเราต้องอาศัยความจริงไม่ใช่ความอยากคือหมายถึงว่าเรารู้สึกตัวได้เท่าไหร่ก็ตัดได้เท่านั้นถ้าหากว่าเรารู้สึกตัวน้อยมันก็ตัดได้น้อยรู้สึกตัวมากัก็จัดการได้มากนะ แต่ถ้าหากความรู้สึกตัวเราทำด้วยความไม่มั่นอกไม่มั่นใจทำดำหยุดหย่อนย่อนทำบ้างไม่ทำบ้างพอสบายสบายเก็เลิกทำอะไรทำนองนี้อันนี้คือตัวอุปสรรคปัญหาแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เราได้ <c oughs> ตั้งใจดีมีเจตนาดีที่จะทำเนี่ยเขาถือว่าเป็นการเริ่มต้นได้แล้ว เพียงแต่ว่าเราจะต้องเอาไปซักซ้อมเอาไปทำอยู่เสมอเสมอโดยที่ไม่ท้อถอยนะไม่ท้อถอยเพราะหลวงพ่อเทียนเองท่านมั่นใจในหลักการของท่านแล้วหลวงพ่อหรืออาตมาเองมาทำความเข้าใจทั้ ง, ท, งทั้งที่ว่าเราก็แสนที่จะอ่อนแอละนะแต่ว่าสามารถทำได้ เพราะฉะนั้นคนที่อ่อนแอก็ทำได้คนที่เข้มแข็งก็ทำได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทำได้ต่อเนื่องแค่ไหนมันอ่อนแล้วก็ทำให้มันเข้มแข็ ง, ขงได้ทำไปเรื่อยๆไม่หยุดเดี๋ยกัดไม่ปล่อยอไม่ไม่ถอยว่าเงั้นเถอโดยที่ไม่ต้องหวังผลตอบแทนใดๆหวังอย่างเดียวหวังว่าความคิด ความปรุงแต่งมันลดลงก็พอใจแล้วเพราะว่าอะไรเพราะเมื่อความพอใจลดลงสีมันเกิดขึ้นความไม่พอใจมันลดลงปัญญามันเกิดขึ้นความไม่แน่ใจความไม่ใส่ใจมันลดลงอ่าสมาธิมันเกิดขึ้นเมื่อความไม่พอใจลดลงสมาธิมันเกิดขึ้น เมื่อความไม่ใส่ใจความหลงดืมลดลงไปปัญญามันเกิดขึ้นเมื่อก่อนเราทํางานด้วยความโลภความโกรธความหลงแต่พอศีลสมาธิปัญญามันเกิดขึ้นจิตของเราก็ทําตามอำนาจของศีลเป็น ส, สมาธิและปัญญาไม่ทําตามอำนาจของกิเลสตัณหาเหมือนเมื่อก่อน ความสุขสบายความเบาจิตเบาใจมันก็เริ่มขึ้นทีละนิดละนิดละนิดไปเรื่อยๆเราก็สัมผัสความสุขชนิดได้ชนิดนั้นได้โดยที่เราไม่ต้องไปถือศีลเพศบทอะไรอย่างที่โบราณเขาถือกันเราจะอยู่ในเพศไหนว้ไหนทํางานอะไรก็ได้สามารถรักษาศีลเจริญสมาธิจเจริญปัญญาได้ขอให้มีความเข้าใจโดยใช้กัน เคลื่อนไหวทั้งหมดเป็นอุปกรณ์เคลื่อนไหวทุกอย่างตั้งแต่หัวจดเท้ามีการเคลื่อนไหวมีกี่อย่างพยายามรู้ให้หมดนะตั้งแต่หัวจดเท้าลงไปอนับตั้งแต่ภาพตาอ้าปากพูดหายใจเข้าออกลึกสั้นยาวสั้นให้รู้ไปเรื่อยๆแล้วความรู้สึกตามเนื้อตามตัวเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเจ็บปวดหนัก เบาจุดไหนก็รู้ไปเรื่อยๆชัดๆแล้วคอยระวังนะระวังว่าไม่ให้จิตของเราเนี่ยไหลไปกับความเคยชินให้พยายามเตือนสติตัวเองเสมอๆความรู้สึกอันนี้ก็จะชัดขึ้นอันนี้คือหลักในหลักการหลวงพเทียนที่มาสรุปได้อย่างนี้แล้วก็บอกให้โยงเอาไปทำทำได้ บ้างมาได้บ้างก็บอกกันให้กำลังใจกันนะก็เข้ามาในวิธีการพเทียนทำความเข้าใจอย่างนี้แล้วแล้วเล่าเลาทำความเข้าใจบ่อยๆร้อยครั้งพันหนในที่สุดบางคนก็เข้าใจได้เพราะมันไม่ใช่เรื่องอยากมันเป็นเรื่องเห็นเห็นกันอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นหลักทฤษฎีวิชาการอะไรที่ซับซ้อน แต่มันเป็นหลักของความรู้สึกตัวซื่อซื่อตรงตรงชัดๆัดโดยที่ไม่ต้องอธิบายกันยากเช่นเรานั่งนะ่ถามว่าใครรู้สึกหนักบ้างรู้สึกหนักเป็นอย่างไรใครรู้สึกสบายบ้างความสบายเป็นอย่างไรทุกคนสัมผัสได้โดยที่ไม่ต้องไปอ้างทฤษฎีอะไรมากมาย แต่ใครรู้สึกหนาวใครรู้สึกร้อนใครรู้สึกเย็นใครรู้สึกอึดอัดใครรู้สึกสบายไม่สบายทุกคนสามารถอ่านตัวเองได้เพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงเข้าไปเห็นอาการเหล่านี้ว่ามันคืออาการของไตรลักษณ์มันไม่ใช่อาการของเรามันเป็นอาการของไตรลักษณ์กำลังแสดงตัวอยู่แต่ละเวลาบางครั้งมันก็สบาย บางครั้งมันก็ไม่สบายสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่ตอกย้ำให้อยู่กับความรู้สึกอันนี้ชัดๆเราก็กลับเข้าไปอยู่โลกของความคิดความคํานวณความสงสัยความปรุงแต่งเรื่อง น, นั้นเรื่องนี้ขึ้นมาเรื่อยๆถามว่าทำไมความคิดมันเยอะหลือเกินก็เพราะว่าเรารับมันมาตลอดชีวิตเราไม่ค่อยจัดการกับมันเลย เมื่อรูปกระทบตาล้วก็คิดคิดอยู่สามเรื่องเมื่อรูปกระทบตาเรื่องที่หนึ่งถ้าพอใจแล้วก็คิดในเรื่องในทางพอใจรูปกระทบตาถ้ามีความรู้สึกไม่พอใจเราคิดไปในทางไม่พอใจรูปกระทบตามันไม่เกี่ยวข้องกับเราทั้งพอใจไม่พอใจเราเห็นมันก็รู้สึกเฉยเฉยไม่ใส่ใจเพราะฉะนั้น เราสั่งสมสามเรื่องเนี่ยพอใจไม่พอใจและไม่ใส่ใจทางตาหูจมูกลิ้นกก่ใจมาตลอดชีวิตแล้วก็แปลงมาเป็นความคิดและอารมณ์แล้วเราจะบอกว่าไม่อยากจะคิดมันก็คิดเพราะเราเก็บมันไว้เราสั่งสมมันไว้มันต้องออกมาเมื่อเรารู้หลักการอันนี้แล้วเราไม่อยากจะให้มันคิดไม่อยากจะให้มันามารบกวนเีาทำไง เราก็ต้องมาจัดการที่ต้นต่อเข้ามาันคือความรู้สึกพอใจไม่พอใจก็ไม่ใส่ใจเนี่ยให้เป็นความรู้สึกเฉยๆความรู้สึกรู้เฉยๆว่าเอออันนี้มันเป็นเฉยๆนี่คือรู้ว่ามันเป็นธรรมดามันเป็นอันนี้จังทุกขังหน้าตาพอรู้เท่าทันให้มันจบอยู่แค่นี้ไม่ต้องไปรู้ว่ามันเป็นอะไรเพราะอะไรเหตุอะไรแต่ถ้าจาเป็นต้องรู้จาเป็นต้องคิดท่านให้ใช้ปัญญา ไม่ให้ใช้ความเคยชินใช้ปัญญานะั้นมันจะรู้จักชะลอมันรู้จักยัง้งมันรู้จักพินิษพิจารณาหาเหตุหาผลหาต้นหาปลายนั้นเป็นเรื่องของปัญญาแต่ถ้ากระทบแล้วเรารู้สึกชอบเลยมันไม่ชอบเลยแล้วก็ไม่ใส่ใจเลยเราไม่ได้ใช้ปัญญาเราใช้อวิชชาอ่าเราใช้อวิชชานั้นต่างหากที่เป็นเหตุของทุกข์นะ นั้นเยายมทั้งหลายเมื่อได้ศึกษาเรื่านี้แล้วเนี่ยไม่ต้องลังเลเลยมันเป็นหลักการที่ลงตัวชัดเจนที่สุดนะชัดเจนที่สุดถ้าเราจิตใจตรงไ ป, ตร ง, ไปตรงมาซื่อๆนะแต่ถ้าเรายังมีเบื้องหน้าเบื้องหลังอยากจะได้อย่างนู้นอยากจะเอาอย่างนี้ต้องการอันนั้นต้องการอันนี้อยู่เบื้องหลังแล้วยากมากสําหรับหลักการอันนี้ที่จะเข้าใจได้เพราะหลักการนี้ต้องไม่มีความอยากความหวังเป็นเบือเบ้องลาเบื้องหลัง ต้องทําด้วยความศรัทธาอยากจะรู้ว่าทุกมาจากไหนอยากจะรู้ว่าดับทุกข์ดับอย่างไรแล้วการดับมันจริงหรือเปล่าแค่นั้นให้มีความอยากไปทางนั้นทางที่มันถูกนะเราก็าจะมาเรียกหลักว่าเป็นมรรคแปดบ้างเป็นอริยสัจ ส, สีบ้างเป็นโพชฌงบ้างก็ว่ากันไปแต่มันก็คือรายละเอียดที่จะมาว่ามานี่แหละมันเป็นหลักของ ภาษาที่เข้าใจได้แต่ถ้าไปหลักอ้างหลักทฤษฎีวิชาการที่ว่าในพระไตรปิฎกมันก็ยากสำหรับเราเพราะเราไม่มีพื้นฐานนะแต่คนสมัยใหม่เนี่ยถ้าถานำเสนออะไรที่มันไม่เป็นไปตามหลักทฤษฎีวิชาการเนี่ยเขาก็ไม่ยอมรับว่ามันไม่ถูกไม่ตรงทงั้งๆที่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้ที่ถูกตรงมัคนควรจะเป็นอย่างไรนะ ังนั้นเองเราจะต้องมาศึกษาความรู้สึกตัวแบบดอกพเทียนเนี่ยให้เข้าใจซะก่อนเป็นความรู้สึกตัวที่สัมผัสได้โดยที่ไม่ต้องนึกคิดนะโดยที่มันต้องคิดส่วนใหญ่เราไม่รู้จักตัวรู้สึกตัวในตัวเราแล้วเราก็ไปหวังไปแสวงหาความรู้สึกตัวจากตัวหนังสือจากความคิดจากการ นึกจากการจำมันเป็นความรู้สึกตัวที่มันเป็นหลักสมมุติมันไม่ใช่ของจริงนะมีเรื่องเล่าเรื่อ ง, น, งน่าคิดท่านบอกว่ามีศรัทธาชาวคริสต์คนหนึ่งแกเลื่อมใสในพระเจ้ามากเลื่อมใสในพระเจ้า พออ่านคำภีแล้วรู้สึกพระเจ้าเป็นผู้วิเศษมากเขาก็ทุ่มเทปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าแล้วก็บูชาบูชาพระเจ้าต่อมาปรากฏเกิดเหตุน้ําท่วมบ้านท่วมเมืองขึ้นมาน้ำาหลาน้ําบ่าน้ําป่าไหลหลากมาท่วมบ้านทั่วมเมืองสูงขึ้นเรื่อยๆคนทั้งหลายทั้งปวงก็พากันหนีน้า ขึ้นไปสู่ที่สูงบางบางแห่งไม่มีที่สูงกาขึ้นไปสู่หลังคาอยู่หลังคาตึกหลังคาบ้านทางการก็ส่งเฮลิคอปเตอร์มารับเอาคนที่อยู่ที่สูงที่หลังคาตามตึกตามบ้านไปสู่ที่ปลอดภัยนายกระทาชายคนนี้ก็บอกว่าเราจะไม่ไปเพราะเราบูชาพระเจ้าเมื่อถึงจุดอันตรายแล้วพระเจ้าต้องมาช่วยเราแน่นอน เราจะไม่ไปกับพวกที่เขามาช่วยเหลือเพราะว่าเราบูชาพระเจ้าเราต้องมั่นใจในพระเจ้าพระเจ้าต้องมาช่วยเราแน่นอนเลยไม่ยอมไปกับการช่วยเหลือของทางการในที่สุดน้ำมันสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆจนท่วมแก่ตายพอท่วมแก่ตายปั๊บวิญญาณก็ไปปรากฏหน้าพระเจ้าแกก็เลยต่อว่าพระเจ้าว่าผมในเรื่องใสในพระเจ้ามาตลอดชีวิตแล้ว แค่น้ำท่วมแค่เนี้ยท่านจะช่วยข้าพเจ้าไม่ได้เลยหรือข้าพเจ้าอ้อนวอนให้ท่านไปช่วยทำไมท่านไม่ช่วยข้าพเจ้าพระเจ้าก็มองด้วยความสมเพชเวทนาพระเจ้าก็บอกว่าฉันก็ไปช่วยแกแล้วตั้งหลายครั้งแต่ทำไมแกไม่รับการช่วยเหลือ อ, อ้าท่านไปตอนไหน ก็เหแล้วโค้กเตอร์วนไปรับแกทั้งหลายรอบอะทำไมแกไม่ขึ้นอันนั้กูส่งไปมึงทำไมไม่ขึ้นว่างั้นพระเจ้าเลยด่าผ <c oughs> ู้ส่งไปเองอะ น, นี่นี่เขาเรียกว่านับถือาศาสนาแบบงมงายเราเนี่ยมีพระเจ้าคือความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นพระพู้ได้เจ้าในตัวเราท่านมาช่วยเราวันล้หลายๆครั้งแต่เราไม่รับความช่วยเหลือของท่านเลยบางสิ่งบางอย่าง เราจะทําจะพูดจะคิดไปมันก็บอกว่าไม่ใช่นะไม่ถูกนะเราก็ยังฝืนเขาเช่นเราจะไปกินเหล้าไปเล่นไพ่ไปตีหัวหมาด่าคนนั้นด่าคนนี้ในสํานึกลึกๆของเรามันบอกว่าอย่าทํานะไม่ดีนะแต่เราก็ฝืนทําในบางครั้งเราก็รู้ว่าอันนี้มันผิดศีลนะอันนั้นผิดวินัยนะเราก็รู้อยู่แต่เราก็ฝืนทํำนี่เรียกว่าพระพุทธเจ้าท่าน บอกแล้วท่านช่วยแล้วแต่เราไม่ฟังท่านเองอะ่ะเราไปทาอย่างนี้ไม่ถูกทาอันนี้ไม่ใช่เรารู้เป็นอย่างดีนะแต่เราก็อดทำไม่ได้นี่เขาเรียกว่าพระเจ้ามาช่วยเราแต่เราไม่รับการช่วยเหลือของพระเจ้าเหมือนกับชายชายคนนั้นส่งให้แล้กวก็เติมมาตั้งหลายรอบ่านะเพราะใ น, นที่สุดพระเจ้าก็าเลยด่าส่งมันก็เลยไม่รู้เจ้าห่าไงอันนี้เขาเรียกให้เห็นว่าการไม่รู้จัก ศาสนาของตัวเองเราน like ับถือศาสนาแบบงมง่ายนะอันนี้ก็เหมือนกันชาวพ like so ุทธของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมโยธรรมังปฏิโซมังปฏิโยมังปฏิโสธรรมังปฏิผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมโยธรรมังปฏิโสปฏิจจสมุปาทางปฏิสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิเจตสุบาทโย ปฏิจจสุวังปสติโซธรรมังปสติผู้ใดเห็นปฏิสุบัติผู้นั้นเห็นธรรมว่างั้นท่านก็บอกตรงๆอ่ะว่าผู้ใดเห็นตัวเราเองเนี่ยตั ว, วตัวตัวของเราเองเน่ยผู้นัน้นเห็นธรรมแล้วแล้วตัวเราเองมันคืออะไรตัวเลยคือตัวการทํางานของปฏิสุบาทคือการทํางานของเหตุเกิดทุกตลอดเพราะมีความไม่รู้มันจะเกิดความคิดเพราะมีความคิดมันจะเกิดความบูงแต่งดังนั้น เราจึงมาปฏิบัติเพื่อให้ได้เห็นตัวเองเมื่อเราเราเห็นตัวเองก็เห็นทุกข์แต่ถ้าเราเห็นตัวเองไม่ได้เห็นทุกข์นี่ไม่ใช่ว่าเห็นพระพุทธเจ้าเห็นตัวเราเลยเห็นทุกข์พอเห็นทุกข์แล้วก็บําบัดทุกข์เมื่อบำบัดทุกข์ความไม่ทุกข์มันก็มาเท่านั้นเองท่านก็บอกตรงๆนะแต่เราไม่เข้าใจเราก็ดันไปวงเล็บนน้อยว่าผู้ใดเห็นเราวงเล็บว่าตถาคตแต่ความจริงแล้วเน่ยเห็นตัวเราเองนั่นแหละ ถ้าแต่ตถาคตคือมันเป็นไปอย่างนั้นเป็นไปอย่างไรอ่ะเป็นไปอย่างนั้นคือเป็นอนิจจังทุกขังหน้าตาคําว่าตถาคตตัวนั้นอ่ะมันเป็นอย่างนั้นของมันเองเป็นอย่างไรอ่ะก็เป็นอนิจจังทุกขังหน้าตานันก็ถูกนะแต่เราไปคิดว่าพระตราคตคือน่นพราะพระพุทธเจ้าเมื่อสองพันปีเจ้าอชายธิเทตตายไปแล้วอันนั้นไม่ใช่อันนั้นคือเจ้าอชายธิเทตผู้ค้นพบคําว่าพุทธค้นพบคําว่าความเป็นอย่างนั้นเองคือค้นพบตถาคตนั่นแหละ ท่านเป็นคนค้นพบแล้วท่านก็บอกว่าไอ้ตัวความเป็นอย่างนั้นตัวความเป็นรู้สึกตัวเนี่ยมันมีอยู่แล้วในคนทุกคนเนี่ยเราก็ยังไม่เอาเราก็ยังไปอเป็นไปไม่ได้อย่างน้นอย่างนี้มันก็เลยยากนะท่า น, นั้นจารย์ยอทั้งหลายอันนี้คือข้อสรุปทั้งหมดในคอสนี้อเหตุการณ์มันอํานวยที่แรกแว่เราจ ะ, ะสัมมนาถาม หาปัญหาแชร์แบ่งปันกันก็เลยไม่ต้องพรไฟมันขัดข้องแต่แรกอามาก็เลยเอาเรื่องนี้มาสรุปให้ฟังเมื่อสรุปให้ฟังแล้วอย่างนี้โยมก็ต้องเอาไปทบทวนฟังบ่อยๆแล้วเข้าใจแล้วก็คําสอนของหลวงพ่อเทียนก็ไม่ใช่ว่าจะสูญหายจ่ายสิ้นไปนะเราก็ยังมีเทปมีวิดีโอเอามาเปิดให้ฟังทุกๆวันมีเทปเปิดผู้ทุกวั น, ก, ว น, ก, วนก็เป็นคําสอนที่ชัดเจน แจ่มแจ้งอยู่เสมอคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้หายไปไหนก็ยังมาเขียนเป็นพระไตรปิฎกมาอ่านลงเทปให้กันฟังก็ยังมีฟังได้ทุกวี่ทุกวันก็ไม่ได้หายไปไหนแล้วมันไม่ได้ขัดไม่ได้แยง้งไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงเลยแล้วทําไมศรัทธาเรายังไม่เข้มแข็งยังไม่เพียงพอก็เพราะว่าเรายังไม่เห็นตัวเอง เพราะนั้นการมาปฏิบัติการเคลื่อนไหวการยกมือเนี่ยมาเพื่อมาเอาใจกลับมาดูตัวเองเท่านั้นจะทําอะไรแต่อะไรก็ให้ให้ดูตัวเองนะไม่ต้องไปดูคนอื่นแต่เราที่เป็นทุกข์มาตลอดเนี่ยเพราะเราเอาใจไปดูคนอื่นมากเกินมากเกินไปมากกว่าตัวเองท่านท่านบอกว่าให้ดูในตัวเองบ้างให้ดูข้างนอกตัวเองบ้างให้ดูทั้งภายในและภายนอกบ้าง น่ให้ดูอย่างนี้อทิกายโยติความปัญสสะสติปจุปฏิตาโหติเห็นว่าอธิกายโยติความปาาัญสสว่าสติคือความระลึกว่ากายนี้มีอยู่ากายนี้มีอยู่เพียงเพื่อญานะมะตาัตตยะเพียงเพื่อเป็นที่เพียงเพื่อรู้เราระลึกถึงกายนี้เพื่อให้รู้ปฏิสติมัตตายะเพียงเพื่ออาศัยระลึก ว่าการที่เรามีกายเพียงพระอาศัยเลยหรืกว่าเป็นที่ตั้งของความทุกข์นะช่วงเขาทุก ข, กข์แล้วก็ท่านบอกว่าอานิสิตโตจะวิหารติอ่ า, อานิสิตโตด้วยการทำํำนี้ตัณหาและทิฏฐิความคิดมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ท่านบอกชัดที่สุดนะน่าจะกินจิโลเกอุปทิยติด้วยการทําอย่างนี้เราจะาไม่ยึดมั่น จะไม่เอาอะไรอะไรไม่ยึดมั่นอะไรอะไรเป็นของเราทั้งหมดถ้าเราทำอย่างนี้ได้นะอันแรกท่านบอกว่าอันนี้สิตโตจะวิหารติตันหาและทิฏฐิความคิดมันจะมาเกิดไม่ได้ถ้าทำความรู้สึกตัวแบบนี้นะแล้วก็บอกว่านะจากคินจิโลเกออุปาทิยติ อย่าไปเอาอะไรกับอะไรให้มันมายุ่งกับในใจของเราอย่าไปคิดอันนั้นว่าเป็นของเรานี้ไม่ต้องเอาอะไรมันจะไม่ยึดเอาอะไรมาเป็นของเราถ้าเรารู้ได้อย่างนี้นะท่านก็บอกชัดด้วยการระลึกในสี่สถานคือในกายในความรู้สึกของกายระลึกของความคิดในความรู้สึกที่เกิดจากความคิด กายความรู้สึกกายเรียกว่ากายกับเวทนาความคิดแก่ความรู้สึกความคิดเรียกว่าจิตและธรรมานุปัสนาหรืออารมณ์ในลึกอยู่ในสี่สถานแค่นี้แหละแต่ทั้งสี่นี่เหลือย่อยเหลือสองคือมาละลึกถึงกายและมาละลึกถึงความคิดที่มันคิดขึ้นมาดูสองอย่างถ้ามาดูกายความคิดก็เกิดถ้ามาดูความคิด เข้าไปในความคิดก็ไม่ไม่รู้จักความรู้สึกทางกายเพราะไม่อยู่ความรู้สึกทางกายแล้วก็ไม่เข้าเข้าไปในความคิดก็ดูสองหลักแค่นี้เรียกว่าดูรูปนามแม้อริยรสัจสี่เองก็เลยย่อเหลือสองทุกกัสมุทัยก็คือดูกายพิโรธกาม ก, ก็ดูใจท่านเองดูกายดูใจก็ดูอริยสัจ ย, อ ย, อยอ่อๆสั้นๆ ดูสถิปฐานสีก็ดูลูกก็ดูนามดูกายดูความรู้สึกทางกายก็ดูความคิดแค่นั้นมักมีองค์แปดก็จะมาดูแค่นี้แค่สองอย่างนี้เหมือนกันนะถ้าผิดพลาดไปจากนี้ก็ก็ไม่ใช่ละ น, น, นั่นก็สิ่งที่ได้นำเสนอมาทั้งหมดนะคิดว่าไม่พลาดนะไม่ผิดอาจารย์มากับผมเองได้พิสูจน์ได้ศึกษาสิ่งนี้มานะ หลายหลายปีอยู่กระหลงโพเทียนมาตั้งแต่พศสองร้อยสจนมาถึงพศสองแล้วปฏิบัติมาด้วยตนเองปศสองร้อจนถึงปัจจุบันแล้วก็ทํางานมาเรื่อยๆก็เห็นว่าทุกมันหมดไปหมดไปหมดไปหายไปหายไปน้อยไปน้อยไปแล้วก็ทําการได้มากขึ้นมากขึ้นถ้าเรายังมีทุกอยู่เราจะทํางานได้น้อยเพราะมันกลัวอันนั้นมันเกรงอันนี้มันอันนั้นอันนี้มัน มันไม่กล้าแต่พอทุกมันหมดไปหมดไปความกล้าหาญความขยนันความบากบันความตั้งใจความเอาใจใส่มันก็มากขึ้นเองมันไม่ใช่เรื่องที่วเราจะมาทําเอาว่าในส่วนที่ทุกมันลดลงความไม่ทุกมันก็เกิดความไม่ทุกมันเกิดแล้วก็ทําอะไรได้มากเพราะมันทําแล้วมันไม่ทุกเนี่ยก็ยิ่งทํำได้มากถ้ายังทาอันนี้ได้ทำอันนั้นไม่ได้อยู่แสดงว่าเรามีทุกอยู่นะเราก็ไม่ต้องไม่ประมาทต้องขยนันต้องพยายามทําอยู่อย่างนั้นแหละ พ่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเกิดมาชาติเดียวเราจะอยู่เป็นทุกกินเป็นทุกนอนเป็นทุกอย่างนั้นหรือมันไม่คุ้มกันน่ะเพราะก้าเราจะมาเกิดเป็นมนุษย์มันเกิดยากเมื่อเกิดมายากแล้วทำไมเราจะต้องปล่อยให้ชีวิตนี้เป็นทุกข์ล่ะอ่าทําไมจะต้องมาเป็นทุกข์เพราะว่าเราไม่รู้ไม่เข้าใจเมื่อมาปฏิบัติเกิดความรู้ความเข้าใจแล้ ว, ลวเราก็ไปทําให้ทุกข์มันลดลงทำไงให้ทุกข์มันลดลงคือลดความคิดให้น้อยลงเพิ่มความรู้สึกตัวให้มากขึ้นก็แค่นั้นแหละ หลักของมันนะนะแต่ทําไมมันจึงเป็นเรื่องสลับซับซ้อนเพราะเรายัางจัดการกับความคิดไม่ได้ดังนั้นเราจึงมานั่งยกมือสร้างจังหวะมาโดยโจงกรมเพื่ออะไรเพื่อมาทําความเข้าใจเมื่อเข้าใจถูกต้องแล้วเรากลับเอาไปทําที่บ้านไม่มีผิดพลาดถูกต้องทุกการน ะ, น, ะนั่นนี่โยูทั้งหลายในวันนี้ธรรมาก็สรุปหลักการไว้เท่านี้นะก็จึงไม่ได้ อบอกไปรับน้ำปันะต่านแต่แรกเอเอเรบเออลืมน้ปั ะ, ะโอ้ทานมาบ่อยแล้วก็ลืมลืมมันบ้างก็ได้เนะ <c oughs> าะทําทุกวันก็ลืมลืมทำเป็นลืมไปบ้างไม่ทานก็ไม่หิวนะเป็นอุปทานนั่น <c oughs> <c oughs> าังนั้นนะวันนี้เราได้ทำความเข้าใจมาแล้วแค่นี้ก็พอเดี๋ยวไปรับน้าปันะก็ไปนอนปฏิบัติกันในที่นอนเลยนะฝ <c oughs> นมันล <c oughs> ไล่มาพอสมควรแล้วนะฮะ ก็ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจของท่านทั้งหลายที่จะนำไปทบทวนสอบสวนให้มันชัดเจนเห็น แ, แจ้งแกจิตแกใจแล้วให้เรานำไปทบทวนดูในกายในใจของตัวเองอยู่เสมอเสมอทำอย่างนี้ได้ไม่นานเราก็จะสามารถจัดการกับความทุกข์กายทุกใจได้หมดด้วยการทุกคนทุกท่านถือ